3. ปัทมะอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนทสูตรที่หนึ่งเรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 ทำให้สติปัฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฐานสี่ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงเจ็ประการบริบูรณ์โพชฌงเจ็ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกหนึ่งสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว หรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสำเนียบว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าจะระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้น ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุายเพราะเรากล่าวกายอย่างหนึ่งคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะฉะนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. ส, สมัยใดภิกษสกุสัมเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจเข้สาสัมเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจออกจะรู้แจ้งสุขจะรู้แจ้งจิตตสังขารสัมเนียกว่าจะระงับจิตตสังขาร หายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเรากล่าวเวทนาอย่างหนึ่งคือการมณสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. ภิกษุสำมเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตหายใจเข้าสำมเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตหายใจออก สำมเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าจะตั้งจิตมั่นสำมเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำมเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่กล่าวการเจริญอนาปานสติสมาธิไว้สําหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมานัตในโลกได้สสมัยใดยภิกษุสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้จะพิจารณาเห็นความดับไปสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัทในโลกได้เธอเห็นการละอภิชาและโทมนัทนั้นด้วยปัญญาแล้ววางเฉยอย่างดีเพราะเหตุนั้น สมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อานนอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ สติปทานสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําโพธิชงเจ็ประการบริบูรณ์คือหนึ่งสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืมหนึ่งสมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้น สติสัมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพธชงสติสัมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 2. เธอมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดยภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญธรรมวิจยะสมโพธชงธรรมวิจยะสมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 3. เมื่อเธอค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นอันปรารภแล้วสมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุผู้ค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญวิริยะสมโพธชงวิริยะสมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 4. ปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ผู้ปรารภความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอามิตรเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสัมพธชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญปีติสัมพธชงปีติสัมพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุห้าแม้กายของภิกษุผู้มีใจปีติ ย่อมระ ง, งับแม้จิตก็ระ ง, งับสมัยใดยแม้กายของภิกษุผู้มีใจปีติย่อมระ ง, งับแม้จิตก็ระ ง, งับสมัยนั้นวิปัสสธิสัมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารพแล้วภิกษุเจริญปัสสิสัมโพธชงปัสสิสัมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุหก จิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมัน่นสมัยใดจิตของภิกษุมีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารพแล้วภิกษุเจริญสมาธิสัมโพธชงสมาธิสมโพธชงจึงมีความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเจ็ด เธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพธชงชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอุเบกขาสำโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 2. ส, สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย สมสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตสสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่สมัยนั้นสติของเธอย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมหนึ่งสมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว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 เป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสำโพธชงอุเบกขาสำโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุสัติปฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพธชงเจประการบริบูรณ์โพธชงเจประการที่ภิกษุเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชาและวิมุตต์บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งจเจริญสติสัมโพธิชงอ์อนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะสองจเจริญธรรมวิจยสัมโพธิชง์เจ็ด จเจริญอุเบกขาสำโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะอานอนท์โพชชงเจ็ดประการที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตบริบูรณปัทมะอนันทสูตรที่สามจบ